ー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 70วันแปสิบวันพอถึงไม่ตายไอ้ถึงไม่กินอาหารนะแต่ว่าในร่างกายเราก็มีไขมันเนี่ยที่สามารถจะแปลรูปเป็นอาหารสำหรับเซลล์ต่างๆในร่างกายได้ น, น้ำนี่ขาดน้ำสัก4 5หวันเนี่ยถึงจะตายมันก็ยังไม่ตายนะคนที่อดน้ำได้นานกว่านั้นก็มีแต่ อากาศนี่ถ้าขาดสักสีห้านาทีก็เรียกว่ากลายเป็นผักละเพราะสมองเรานี่มันต้องการออกซิเจนมากนในอากาศเนี่ยที่มันสำคัญนะก็คือมีออกซิเจนออกซิเจนนี่เป็นอาหารของเซลล์ต่างๆในร่างกายมันทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้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 เราสังเกตมาพวกนี้มันจะอายุสั้นสาที่หายใจถี่เท่าไหรก็อายุสั้นเท่านั้นเพราะว่ายิ่งหายใจถี่เท่าไหร่ก็หมายความว่าเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายมากเมื่อหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายมากก็ทําให้ความแก่ชร า, าเกิดขึ้นได้เร็วแล้วก็ตายเร็วนะสาธี่หายใจช้าๆพวกนี้จะอายุยืนนะเช่นเต่าเนเี่ย นี่หายใจช้าอนุมูลอิสระที่เกิดจากออกซิเจนก็เลยน้อยนะมันก็เลยไปทำลายนะ อ, อวัยวะต่างๆในะร่างกายน้อยไปด้วยหรือค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปออกซิเจนเนี่ยึงไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตกับเราอย่างเดียวจริงอยู่นะคนเราเวลาก็จะตายเนี่ยเวลาป่วยหนะักก็ต้องออกซิเจนต้องใช้ออกซิเจนมาก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 ลูกโตแล้วปลอดภัยแล้วช่วยตัวเองได้แล้วก็ยังทุกข์ว่าลูกนี่จะเป็นสังเป็นฟ้าได้เมื่อไหร่ลูกจะมีอาชีพอะไรแล้วต่อไปก็ยังทุกข์เพราะลูกเวลาได้ว่าลูกมีปัญหากับคู่ครองพ่อแม่กักงวลจนกระทั่งลูกนี่อายุสี่สิบห้าสิบแล้วมี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 ให้ความรักกับความห่วงไม่เหมือนกันนะรักโดยที่ไม่ต้องห่วงก็ได้พระพุทธเจ้านี่ก็รักสรรพสัตว์นะรักพระราหุนพอๆก็รักพระเทวทัตนะแต่ก็ไม่ได้ห่วงมีลูกนะก็ทุกข์เพราะลูกมีวัวก็ทุกข์เพราะวัววัวนี่ก็หมายถึงทรัพสมบัตินะได้อะไรมาจะเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่นะ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 ไม่เต่งตึงแะนะหรือที่จริงไม่ต้องรอให้มันเหี่ยวนะนะขณะที่มันยังสวยอยู่นะหน้าตาเนี่ยก็ทุกข์เพราะกังวลอยากจะให้สว ย, ยงี้ไปเรื่อยๆนะอยากจะให้เต่ ง, ต, งตึงอยู่นี้ไปเรื่อยๆหรือว่าบางทีก็ทุกข์เพราะเห็นคนอื่นเขาหน้าตาดีกว่าเขาหลอกว่าแค่นี้ล่ะก็รู้สึกไม่พอใจหน้าตาของตัวละ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 อันนี้พออ่อเลยพาะว่าคนเราพอได้อะไรก็ตามเนี่ยมันมีความสุขทีแรกๆต่อไปความสุขมันก็ลดลงนะตอนที่ได้เงินร้อยบาทตอนที่ได้เงินแสนบาทนี่ดีใจหรือถูกลอตเตอรี่เงินหนึ่งล้านบาทดีใจแต่พอผ่านไปสักสีห้าวันหรือผ่านไปสักสี่ห้าเดือนความดีใจมันหายไปลนะก็เคยทำวิจัยสอบถามคนที่ถูก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 เวลายึดมั่นถือมั่นสิ่งใดก็ตามเนี่ยรวมทั้งสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สือคือร่างกายนี้รูปนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นโทษเป็นอันตรายนะพุเจาตรัดว่านเนี่ยเมื่อใดก็ตามนะที่ยึดมั่นถือมั่นในรูปนี้เนี่ยเมื่อนั้นทิฏฐิก็เกิดขึ้นว่าลมไม่พัดแม่น้ำไม่ไหลหญิงสตีมีคันไม่คลอดพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ขึ้นและไม่ตก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 และคิดว่าตัวเองไม่ตายเคื่องตัวเองไม่แก่ตัองไม่ป่วยตัวเองไม่พัดพราดเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับคนที่เอาตัวไปอยู่ท่ามกลางกระแสน้าเชี่ยวเจ็บเปล่าๆนะนอกจากจะเหนื่อยล้าแล้วเนี่ยทุกท้ายก็เจ็บเจ็บตัวเพราะว่าโดนน้ําเชี่ยวเนี่ยมันพัดไปกระแทกเกาะแกงคนที่มีความคิดว่าเนี่ยฉันต้องไม่ตายนะฉันต้องไม่แก่นะฉันต้องไม่สูญเสียไม่พัาดพลาดเนี่ยก็คือคนโง่นะที่กําลัง พาตัวเองเข้าไปสู่ความทุกข์นะสิ่งที่ตามมาก็คือความเจ็บปวดนะไม่ใช่ปวดกายแต่ปวดใจนะเพราะว่าของรักมันพัดพรากไปมันเสื่อมไปเช่นหน้าตาเช่นร่างกายนะเช่นคนรักเช่นทรัพย์สมบัตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราในเวลาเรามีความสุขนะก็ให้เราเผื่อใจไว้เสมอนะเออว่าเอาเอมันไม่เที่ยงเวลาเราได้อะไรมา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 ปลานี่มันก็มีก้างนะที่ต้องระวังพอเรามีสติพอเรามีปัญญาเราก็กินปลาได้โดยที่ไม่ต้องกลัวก้างปลาจะตำ่ำนะอยู่ในปาก ง, งูก็อยู่ได้เพราะเราทําตัวเหมือนลิ้น ง, งูนะลิ้น ง, งูในที่นี้ไม่แปลว่ากระลอนนะแต่หมาถึงว่ามีความฉลาดมีความเท่าทันนะในโลกในที่อยู่แล้วก็นะชาติภพท่านนี้อะ